ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรค่ะรายการสัสนิสนทนาดำเนินรายการโดย ส, สนันนิษนาน์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเรามาพบกันอีกแล้วนะคะจันทร์ถึงศุกร์วันนี้การเดินทางที่ได้เล่าให้ท่านฟังได้ฟังถึงการไปสังเวชนียสถานนั้น ก็ยังคงอยู่ในสถานที่สําคัญที่บังเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือที่พุทธคยาค่ะในส่วนของพระมารชาเขาวโรช่วงต้นของรายการท่านก็จะได้น้อมนําเอาพระสูตรที่เกี่ยวข้องมาให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกันไปด้วยนะคะน้อมสักการกับท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้จะเป็นพระสูตรเรื่องใดคะเนี่ยเรื่องที่หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วออพระองค์ก็คิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เองแล้วก็ ทรงทอประทัยในการแสดงธรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพรมมาอารัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงรับแล้วก็มีจิตน้อไปเพื่อการเผยแพร่ธรรมะแล้วก็คขับเคลื่อนวงล้อของธรรมจักนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกับการประพฤติปฏิบัติกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ให้เรามาเจริญอนาณาปานาสติมีสติรู้อยู่กับลมหายใจ ประกอบฝั่งประสูติที่พระองค์ตัดไว้ที่พระองค์ได้ตัดเหตุการที่ท่านได้คิดหาที่ซึ่งสําหรับพระองค์เองโดยท่านได้ตรัดว่าอีกสุตทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตํำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเล็กแพ เมื่อขา่าวแตสรูใ้ใหม่ๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเล่นอยู่หน้าที่สนัดเกิดปริวิจกเกิดปริวิตกในใจว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งํานักย่อมเป็นทุกข์เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพระคนไหนเนาแล้วแลวอยู่ภิกษุทั้งหลาย ความรู้สึกนี้ได้เกิดแก่แล้วว่าเรามองไม่เห็นสรรมณพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกนี้และเทวโลกมาราโลกกรมโลกและมุสันพร้อมทั้งสรรมณพราหมณ์เทวดาพร้อมตั้งมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตยิ่งกว่าเรา ซึ่งเราคตรส ก, การะเคารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ภิกษุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าฉนไหนทำอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราถึงส ก, การะเคารพทานั้นเข้าไปอาศัยแล้วแลยู่เถิด ทุกทั้งหลายในการดูแลบูสงประกอบพร้อมด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นกระถอก็มีความเคารพแม้ในสงดังนี้เมื่อพระพูทมีพระพากเจ้าในทรงตรัสรู้ทรงทอพระไัยในการแสดงธรรมโดยท่านได้ตรัสกับราชกุมารว่า แม่จักรุมานความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์เห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะอยากลงง่ายๆแห่งความตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสําหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเป็นปฏิจจสมุปาทอันมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยยากนัก ที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบรำงับแห่งสังขารตั้งปวงคือธรรมอันถอนองปฏิทั้งสิ้นความสิ้นปัญหาความคลายปัญหาความดับไม่เหลือและทิพานหากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความเดืยดเปล่าแก่เรา เป็นความตะปากแก่เราโอราชกุมารคาถา อ, อัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏจาแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศทมที่บรรลุได้แล้วโดยยากทานี้สัตว์ที่ถูกราคะโทรศัพรวบรัดแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนดด้วยราคาถูกกลุ่มมืดหออหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นดูดังนี้ราชกาุมารเมื่อเราพิจาราเห็นดังนี้ ก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ด้อมจิตไปเพื่อการแสดงธรรมหลังจากนั้นสัพปะีพรมก็ได้มากราบทูลอารัธนาพระผู้บีพระพัคเจ้าให้ทรงสแสดงธรรมแล้วในที่สุดนั้นพระผู้บีพระพัคเจ้า ก็สำหรับการอาราธนาโดยท้ายที่สุดท่านได้กล่าวไว้ว่าประตูแห่งนิพพานเป็นอบตตรเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีส่วนประสาทสัตว์เหล่านั้นจงตรงศรทัทธาลงไปเถิด ดูกนพรมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวทาอันประดีที่เราค่องแคล่วชำานาญต่หมู่นุษทั้งหลายดังนี้ครั้งนั้นสัมพดีพรมรู้ว่าตอนเป็ผู้ได้โอกาสอันประพู่บมีพระภาคทรงกระทําแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงได้ไหวเรา กระทอัดประทักสินแล้วอัดตราฐานไปในที่นั้นนั่นเองดังนั้นในขั้นตอนแรกที่พระพุธบีพระพักเจ้าทรงดบจิตไปเพื่อการขวดขวายน้อยไม่ดำจิตไปเพื่อการแสดงธรรมแต่เมื่อสัมบดีพร้ได้ทูลอาราธนาพระพุธบีพระพกัพะพกเจ้าจึงตัดสินใจที่จะแสดงธรรม และเผยแพร่ธรรมะอันละเอียดและลึกซึ้งแต่ดีๆแก่หมูว่วัุุและเทวดาทั้งหลายสาหรับวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติแนละฟังประูตดมาสมควรแก่เวลาเดี๋ยววันจัหน้าเรามาประพฤติปฏิบัติขึ้นต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ขนมัส ก, การขอบพระคุณพระมาชาคาวโรไว้ในโอกาสนี้นะคะคุณผู้ชค่ะ